สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีเองก็มีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นนะคะจากทางบ้านส่งเข้ามาให้กับบีได้อ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทางช่องพระเจอผีบน u t ท b e นะคะเรื่องแรกค่ะที่บีจะนามาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณชุลีพร น, นะคะถูกส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเราบอกว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสามนดําค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ควรพิจารณานะว่าจริงเท็จประการใดซึ่งบีก็เป็นแค่ผู้รับสารมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลน่ยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกของหรือว่าถูกคุณสค่ะเป็นวันที่เข้าไปฟังผลสอบที่พาณิชพระนครอยู่แถวสนามม้านางเลิง้งใกล้กันกับตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ พอฟังผลสอบเสร็จก็กลับมาบ้านทีนี้พอรุ่งเช้าจะลุกแต่ว่าลุกไม่ขึ้นขยับตัวเพื่อที่จะลงจากเตียงเนี่ยก็ลงไปไม่ได้นะคะก็เลยเอามือเนี่ยไปทุบขาแต่ก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยพอเปิดพ่อห่มดูนะคะถึงกับตกใจเลยค่ะเพราะว่า ข, าขาของตัวเองนั้นเนี่ยบวมบวมเหมือนขาช้างเลย จนร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าความตกใจแล้วก็ความกลัวทีนี้ด้วยความที่พี่ชุลีพรนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะคือเป็นเด็กผอมก็เลยให้พี่ชายให้อาให้พ่อนี่มาช่วยพยุงจากที่นอนต้องใช้ผู้ชายมากถึง6คนเลยทีเดียวมาช่วยยกถึงลงมาจากที่นอนแล้วก็ลงมาบนบ้านได้นะคะแบบทุลักทุเล พี่ชุลีพรไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเอ็กซเรย์ ray, ตรวจเลือดตรวจทุกอย่างปกติดีไม่มีโรคใดๆเลยแล้วทำไมถึงเป็นโรคเท้าช้างได้มันคงไม่เกิดปุ๊บปั๊บในคืนเดียวแน่นอนหมอว่านะคะป้าก็เลยให้คนข้างบ้านเนี่ยเชิญองค์เสด็จพ่อพระการมาประทับองค์เพื่อที่จะตรวจอาการของพี่ชุลีพรดูพอตรวจแล้วนะคะก็เลยบอกว่าดวงตกมีกรรม ถูกของที่เขาปล่อยลอยมาตามลมหรือที่เรียกว่าลมเพลมพัดนั่นแหละนะคะก็ให้เตรียมแป้งเขาเจ้าเตรียมน้ําสะอาดเตรียมขี้ผึ้งแท้มาจะถอนของให้แล้วท่านก็เสกคาถาใส่ในถุงแป้งที่ยังไม่ได้แกะถุงนะคะแล้วก็มีน้ําดื่มใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะเหมือนกันท่านให้ที่บ้านเนี่ยเอาแป้งผสมน้ําแล้วก็พอดขาไว้แล้วก็เอาเทียนจุดลนแป้งพอแป้งมันแห้งแตกร้าว ก็ให้แกะมาบี้ดูว่ามีอะไรอยู่ในแป้งไหมป้าก็ทำตามค่ะเมื่อบี้แป้งดูแล้วก็พบนะคะว่าเป็นเส้นผมที่ยาวมากยาวเป็นเมตรเลยแต่ว่าที่บ้านเนี่ยผมที่ยาวที่สุดคือผมของคุณชลีพร น, นะคะยาวประมาณปะบ่าเองไม่ได้ยาวเป็นเมตรแบบนี้ ก็เจอเป็นกระจุกกระจุกจะว่าใครเอาไปใส่ไว้ในแป้งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าทํากันเองที่บ้านทําเช่นนี้เนี่ยเป็นเดือนๆ เ, เลยนะคะก็ต้องขอดรอปเรียนเป็นตเทอ ม, มเลยทั้งที่สอบเข้าได้จนทําแล้วไม่เจอสิ่งแปลกปลอมในแป้งอีก พ่อกับแม่ก็เลยยกให้คุณชุลีพรเนี่ยเป็นลูกของเสด็จพ่อพระการเพื่อที่จะทาการแก้กเคล็ดแล้วพี่ชุลีพรเนี่ยก็ต้องไปที่ราชบุรีเพื่อถือศีลแล้วก็หัดเดินใหม่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทางเพจพระเจอผีฟังอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของคุณป้าค่ะแต่ว่าดันมาเกี่ยวข้องกับตัวคุณชุลีพรด้วย คือในตอนที่คุณชลีพรเพิ่งจะหายป่วยจากการถูกของมาได้ประมาณปีกว่าพี่ชลีพรเกิดฝันนะะว่ามีคนแก่คนหนึ่งเนี่ยมาชวนไปอยู่ด้วยคนแก่คนนี้เป็นผู้หญิงน ะ, ะมองหน้าไม่ค่อยชัดค่ะก็เลยบอกไปบอกว่าไม่ไปแล้วก็ตื่นขึ้นมามันเป็นความฝันแบบนี้ที่ฝันติดต่อกันอยู่เจ็ดวันก็เลยจุดทูบบอกเสด็จพ่อพระการบอกว่าให้คุ้มครองด้วยพร้อมกับเล่าให้ทั้งบ้านฟัง เลยได้พระมาสวมคอเนะคะจากนั้นก็ไม่ฝันอีกเลยแต่ว่าผ่านมาสักพักหนึ่งมันเกิดอาการแพ้คือแพ้สร้อยแสนเลสที่สวมก็เลยถอดเก็บไว้ที่หิ้งพระนะคะคืนนั้นเองค่ะก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งในฝันเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆคือแกมาชวนให้ไปอยู่ด้วยเสียงแกนี่คือฟังแล้วเย็นจับขั้วหัวใจเลยค่ะคุณฉลีพรบอกไม่ไปแกก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปนะ ก็ช่วยไปเอาของให้แกหน่อยแกเอาออกไม่ได้คุณชลีพรก็เลยถามไปในฝันเนี่ยบอกว่าถ้าเอาของให้แล้วจะไม่มาหาอีกใช่ไหมแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะพร้อมกันนั้นแกก็จับมือคุณชลีพรเนี่ยจูงแล้วก็เดินไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แกบอกว่าให้ขุดที่ใต้ต้นไม้นี้คุณชลีพรก็เลยลงมือขุดให้แกค่ะแต่ว่าในขณะที่ขุดเนี่ยก็ตกใจตื่นเพราะว่าคนในบ้านเรียก ปรากฏว่าคุณชุลีพรเ น, นี่ยเดินละเมอมาใช้มือเปล่าขุดพื้นตรงเสาบ้านนะคะบอกว่าเล็บมือนี่เปิดเลยเลือดไหลเลยแต่คุณชุลีพรบอกเรานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ได้รู้สึกตัวอะไรเลยทีนี้ทางบ้านนะคะก็เลยขอให้พ่อพระการเนี่ยช่วยดูให้หน่อยท่านก็เลยบอกว่า คนในบ้านเนี่ยเอาของมาฝังไว้ที่ตรงเสาบ้านให้ทำพิธีถอนขึ้นซะไม่งานเนี่ยคุณชุลีพรจะแย่ก็สอบถามกันไปสอบถามกันมาก็เลยทราบความนะคะว่าเป็นป้าของคุณชุลีพรเองที่เอามาฝังไว้ก็คือป้าบอกนะะว่าป้าเนี่ยเป็นริีดวงที่จมูกไปหาหมอก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอยาไทยเขาก็เลยเอายามาเป่าใส่จมูกอยู่สองสามครั้งป้าก็หายแล้วหมอเนี่ยก็ให้ของมาฝัง ป้าก็เอามาฝังไว้ขออธิบายพื้นบ้านนะคะคุณผู้ฟังบ้านที่เคยอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นไม้ค่ะยกสูงจากใต้ถุนประมาณไม่ถึงครึ่งเมตรบ้านอยู่ในกรุงเทพนะคะยกสูงเพื่อที่จะหนีน้ำนิดนึงค่ะใต้ถุนเนี่ยเป็นที่อยู่ของหนูบ้านแน่นอนค่ะมีขยะจากฝีมือของลูกๆ ก, กินขนมแล้วก็เปลือกขนมแล้วก็ทิ้งรอดร่องไปเลยถูกตีก็ไม่เข็ดทีนี้ขอเล่าต่อ เสร็จพ่อพระการทําพิธีสถอนของเรียบร้อยแล้วก็ให้งัดพื้นบ้านตรงเสากลางบ้านเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะหาของก็ไปเจอเป็นห่อผ้าสีแดงคล้ำๆอยู่ในถุงพลาสติกนะคะแค่เอาไม้เขี่ยๆก็เจอแต่ว่าป้าบอกว่าป้าเนี่ยให้เด็กนะเอาเสียมขุดดินลงไปลึกแล้วนะคะแล้วทําไมห่อผ้าพื้นนี้เนี่ยมันถึงไม่ได้ถูกฝังไว้ มันเหมือนแค่เอาดินกลบแล้วก็อกก้อนหินใหญ่ทับแค่นั้นเองแต่ว่าทุกคนเนี่ยคะบอกว่าไม่เห็นมีหินตรงนั้นเลยแถมของก็วางอยู่บนดินด้วยซ้ำสเสด็จพ่อบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเกิดแต่ว่าเราเนี่ยไปขังเขาไว้ในหอนี่มันมีหมากมีพลู ก, กับกระดูกชิ้นเล็กๆแค่นี้นะคะพอเอาของของเหล่านี้เนี่ยที่มันมีผ้าแดงเนี่ย เอาไปเผาแล้วก็เอาคี้เท่าไปทิ้งน้ำทำบุญตักบาตรให้แล้วตัวคุณชุลีพรก็ฝันถึงคนแก่อีกทีหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยฝันเห็นแบบแต่งชุดขาวห่มขาวมาแกมาขอบใจแล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยจะให้โชคให้ลาบค่ะโดยให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะคือให้ไปซื้อดังวันที่ช่วยแกนี่แหละคุณชุลีพร น, นะคะก็ไปซื้อหวยที่มีคนมาขายส่งเลขอะไรให้ก็ซื้อเลขนั้นไว้ ตอนเช้าในขณะที่กำลังนั่งรอขนมครกเจ้าประจำอยู่ก็มีคนแก่มาขายหวยพอดีก็ยื่นให้ใบหนึ่งคุณชุลีพรบอกว่าคิดถึงฝันก็เลยซื้อมาปรากฏว่าถูกเลขท้ายสองตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ตังค่ะเพราะว่าฝากพ่อไปขึ้นเงินแล้วพ่อเนี่ยเอาไปซื้อสลากออมสินให้แทนก็เลยเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารอีกรอบหนึ่งนะคะ คุณผู้ฟังคามันเป็นเรื่องแปลกที่คุณชุลีพรบอกว่าทำไมดิฉันถึงติดต่อกับวิญญาณพวกนี้ได้ดิฉันเห็นแล้วก็คุยกับเจ้านายที่ตายที่โรงพยาบาลแต่ว่าดิฉันไม่รู้คือไม่รู้ว่าเจ้านายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังถามกับเจ้านายคนนี้เนี่ยบอกว่าอาการป่วยที่ป่วยอยู่เนี่ยคือหายแล้วหรือยังเจ้านายคนนี้ท่านก็หันหันมายิ้มให้นะคะแล้วก็ร้องว่าทีนี้มารู้ทีหลังค่ะขาสั่นเลย เอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหลังก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณชุลีพรด้วยค่ะกับเรื่องนี้ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจพระเจอผีนะคะเรื่องต่อไปค่ะถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจเช่นกันนะคะเป็นเรื่องที่บอกว่าใครเกาะท้ายรถจาก d a แอนดรอเนี่ถ้าหากว่าอ่านชื่อ Facebook ผิดนี่ขออภัยด้วยนะสวัสดีครับผมชื่อดอยครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้รับรองว่าเป็นความจริงคุณดอยบอกว่า คุณดอยเนี่ยทำงานกับพี่เป็นการทํางานแบบส่งวัตถุ WiFi ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะคะงานของคุณดอยก็ส่งงานให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในหลายๆจังหวัดค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปีที่แล้วโอเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองคือวันนั้นเนี่ยคุณดอยกับพี่ได้งานไปส่งงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้ากะกลางคืนพอดี พอไปถึงโรงงานประมาณ4ี่ทุ่มค่ะก็ติดต่อรปภเพื่อขอเข้าไปในโรงงานเพื่อที่จะไปส่งสินค้านั่นแหละนะคะทีนี้พอไปถึงหน้าตราช่างค่ะก็ตามปกติที่จะต้องขึ้นช่างเพื่อเทียบน้ําหนักสินค้าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่ปกตินะคะคือคุณดอยบอกว่าผมสังเกตว่าโรงงานนี่มันเงียบแปลกๆเพราะว่าปกติเขาจะต้องมีการผลิตสินค้าในกะกลางคืนแต่ว่าวันนั้นนะแทบจะไม่มีใครเลย พนักงานที่ประจําหน้าที่ตรงตาช่างก็ไม่เห็นมานั่งประจําที่คุณดอยก็เลยเดินไปหน้าโรงงานซึ่งไม่ไกลมากนะคะเพื่อให้ ร, ปรอปภแจ้งพนักงานมาช่างเทียบน้ําหนักให้หน่อยซึ่งพอช่างน้ําหนักรถเสร็จค่ะก็ต้องขึ้นรถเพื่อจะเข้าไปลงสินค้าแต่ว่าจังหวะขึ้นรถนะคะสายตาดันมองเห็นกระจกด้านซ้ายคือมันเป็นลักษณะเหมือนคนมาเกาะที่กันชนท้ายรถ คุณดอยบอกตกใจสิครับแต่ว่าผมก็เงียบนะซึ่งโดยปกติเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็เลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปลงสินค้าต่อแต่ว่าในช่วงที่ลงสินค้ามีความรู้สึกแปลกๆอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกบรรยากาศมันมืดๆชวนน่ากลัวพี่ที่ไปด้วยกันกับคุณดอยก็ดูเ ง, งียบๆไม่พูดไม่จาเพราะว่าปกติแล้วก็จะ เป็นคุยเป็นอ่าเป็นคนที่คุยสนุกสนานฮิฮากันได้ตลอดเลยนะคะทีนี้พอลงสินค้าเสร็จคุณดอยกับพี่ก็เอารถมาเทียบน้ําหนักแล้วก็เซ็นบินสินค้าเพื่อออกจากโรงงานไหนก็ไหนละก็เลยถามพนักงานตรงตราช่างว่าวันนี้ไม่ผลิตหรอพนักงานตรงตราช่างเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่มีผลิตกันหรอกเพราะว่าเขาไปงานศพเจ้าของโรงงานกันแฟนของเจ้าของโรงงานเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ7วันก่อนเขาก็ตายตามกันไปหมดเลย แค่นั้นแหละขนหัวลุกเลยเอ๊เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี้ยบีอ่านตรงบรรทัดที่ว่าคุณดอยบอกว่าพนักงานไปงานศพเจ้าของโรงงานแล้วก็แฟนเขาเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันเจ็วันเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นผู้ชายก็ได้เสียชีวิตตายตามบีน่าจะเข้าใจตามนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือคุณดอยบอกว่าผมก็ยังไม่พูดนะ จนขับรถออกพ้นหน้าโรงงานก็รู้สึกโล่งๆไม่อึดอัดก็เลยหันไปถามพี่ที่ขับรถเนี่ยบอกว่าตอนเข้าช่างเนี่ยได้เห็นใครเกาะกันชนท้ายรถไหมพี่เขาก็เลยตอบเห็นสิเห็นเหมือนกันและพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่ถึงได้เงียบๆไงตอนลงของถึงไม่ค่อยคุยเพราะว่ามันรู้สึกอึอดอัดแปลกๆสรุปคือขนลุกเลยครับถ้าเห็นคนเดียวแสดงว่าตาฝาดแต่เนี่ยเห็นถนึงสองคนคงไม่ตาฝาดพร้อมกันนะครับพี่บี อ่าขอบคุณคุณดอยด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวอี ก, กเรื่องหนึ่งเหมือนกันถ้าบรรยากาศในโรงงานตอนกลางคืนและมันไม่มีคนด้วยเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบีเองสมัยตอนเรียนมัธยมนะคะก็เคยไปทำงานโรงงานเหมือนกันในช่วงปิดเทอมนะคะเข้ากะกลางคืนเนี่ยเวลาเดินออกไปในโรงงานที่ในจุดที่ไม่มีคนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะยิ่งมีเสียงเครื่องเสียงอะไรด้วย นะฮะแต่ว่าพอราพ้นจากจุดที่มันเสียงดังแล้วก็จุดที่มันคนพลุกพล่านไปเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เงียบเงียบมืดมืดอึมครึมยังไงก็ไม่รู้นะคะขอบคุณคุณดอยด้วยค่ะกับเรื่องนี้ใครเกาะท้ายรถค่ะเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังถูกส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage เช่นกันนะคะเป็นเรื่อง ผู้ที่ใช้ชื่อนะคะว่าเสือพรานพระนามว่ดรพินไพรวันค่ะก็เป็นพระด้วยนะคะส่งเรื่องเข้ามาบอกว่าเรื่องที่อาตมาได้รับฟังมาจากสมเณรที่อยู่วัดเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวสมณเณรคำพีเองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะอยู่ที่อำเภอคํเข ể นแก้วที่บ้านทุงมนตอนนั้นสมเณรยังเรียนอยู่ชั้นป .2 ป .3 อยู่เลย ช่วงนั้นคัมพีเขาติดยายเอามากๆบ้านของคัมพีกับบ้านของยายเนี่ยไม่ห่างกันมากเรียกว่าเดินข้ามรั้วไปก็ถึงกันแล้วนะคะซึ่งลักษณะบ้านของคุณยายท่านนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านไม้แลค่ะแต่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นบนนะคะข้างล่างก็จะยกพื้นสูงคือโลง่ลงๆเลยนะคะทีน่นี้บ้านของคุณยายข้างล่างเนี่ยมันจะมีเตียง มือคือมีเตียงไว้นั่งรับลมอยู่อันหนึ่งเตียงนี้เพื่อความสะดวกกับคุณยายก็เลยตั้งไว้ให้ใกล้ๆกันกับบันไดตรงทางขึ้นบ้านชั้นที่สองค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเวลาลูกหลานมาเล่นด้วยมากินมานอนที่บ้านคุณยายคุณยายอายุประมาณ 70-80 ปีไม่ค่อยแน่ชัดเน่นะคะและคุณยายก็จะเป็นคนพูดที่แบบพูด ไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างนี้คือเป็นคนหูตึงประมาณนี้แหละค่ะคนแก่อาจจะมีลักษณะเป็นเหมือนกันทุกคนก็คือจ ะ, อะเรียกว่าปัสสาวะบ่อยก็เลยต้องมีห้องน้าเคลื่อนที่นั่นก็คือกระคู้ะกะคูก็คือถังนั่นแหละนะคะอีกอย่างนึงห้องน้ำค่ะอยู่ข้างล่างไม่สะดวกกับการลงมาด้วยวัยขนาดนั้นแล้วก็เลยต้องมีห้องน้ําเคลื่อนที่ไวใ้ให้คุณยายคุณยายท่านชอบดูละครมากๆเลยวันนั้นก็ได้ไปดูละครกับคุณยาย แต่ว่าดูไปสักพักหนึ่งไม่ดึกมากนะคะประมาณละครหลังข่าวกําลังจะจบคุณยายแกก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแกลืมเจ้ากระคุเนี่ยดูว่าถังเนี่ยอยู่ข้างล่างก็เลยใช้ให้หลานลงไปเอาขณะนั้นเป็นเวลาไม่ดึกมากแต่ว่าบ้าณ น, นอกนะคะต่างจังหวัดแบบนี้คือมันจะค่ำเร็วแล้วก็ปิดไฟเงียบกันหมดแสงไฟจากบนบ้านมันก็ส่องสว่างลงมาเพราะว่ามองเห็นข้างล่างได้ลางๆบันไดกับเตียงข้างล่างเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นไป ภาพก็ค่อย ๆ, ๆชัดทีละก้าวทีละก้าวพอเดินขึ้นมาถึงครึ่งบันไดเท่านั้นแหละค่ะเขาแทบสะดุ้งกับภาพที่ปรากฏอยู่บนเตียงที่ใต้ถุนบ้านเป็นผู้หญิงสูงวัยกําลังนอนหันหลังให้กับเขาอยู่ลักษณะของผู้หญิงสูงวัยคนนั้นก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปใส่เสื้อคอกระเช้ากําลังนอนหันหลังให้เขาตอนนั้นตกใจนะก็นึกว่าอาจจะเป็นเพื่อนยายมาก็ได้หลานก็เลยตะโกนถามคุณยายของตัวเองที่อยู่บนบ้านบอกยายยาย แทนที่ว่ายายข้างบนจะขันรับแต่ไม่ค่ะพอสิ้นเสียงคุณยายที่นั่งอยู่บนเตียงใต้ถุนบ้านก็หันหน้ามาดูความวัยทาเอาหลานแทบสติออกจากกร่างภาพที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นคุณยายแก่แกผมฟูๆหน้าเขียวเขียวเห็นแค่นั้นก็วิ่งขึ้นไปบอกยายพอยายกับหลานลงมาดูก็ไม่เจอใครแล้วยายก็เลยได้ดุหลานบอกว่าเพอเจอร์คิดไปเอง จากนั้นเขาก็ไม่ได้นอนบ้านยายอีกเลยเนี่ยคะพอโตขึ้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นทวดของคุณยายก็ได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ดุมากท่านเป็นคนห่วงข้าวห่วงของห่วงบ้านมากอาจจะเป็นท่านก็ได้ที่ยังไม่ไปเกิดยังเฝ้าทรัพย์สมบัติตัวเองอยู่ก็เป็นได้เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะ คุณผู้ฟังทั้งเรื่องทั้งหมดที่บีเล่ามาคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลค่ะทางที่ดีเพื่อความสบายใจเนี่ยค่ะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ เรื่องสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังโหพี่สวสพาส่งมานานมากบีต้องกราบขออภัยด้วยเพิ่งจะได้เอามาอ่านนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบีติดตามตั้งแต่เปิดช่องจนถึงทุกวันนี้เลยมีเรื่องอยากจะเล่าเหมือนกันเป็นเรื่องผีเปรตเก็บไว้นาน30ปีแล้วเล่าเลยละกันนะคะบอกว่าอยากจะให้บีเนี่ยอ่านเป็นภาษาอีสานด้วยนะจะได้อารมณ์ใช่ไหมคะ ตอนนั้นประมาณปี2530จําได้ว่าเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของลูกพี่ลูกน้องซึ่งตอนนั้นที่บ้านเนี่ยมันมีการซ่อมแซมเฉลียงหน้าบ้านอาผู้ชายที่อยู่ต่างหมู่บ้านก็เลยมาช่วยกันทำบ้านพวกแกก็จะมากันตอนเช้ากลับกันตอนเย็นทุกวันซึ่งหมู่บ้านจะห่างกันประมาณ5กิโลเมตรนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางกันด้วยรถไถานาหรือว่ารถอีแตน ประมาณนี้ไม่ใช่ถ้าบีเข้าใจไม่ผิดที่เสียงมันจะดังแตกๆๆๆๆ แ, แ, แ, แ, แ, แอย่างนี้นะที่บ้านบีเรียกรถอีแท๊กนะคะก็คือจะเป็นรถไถานาซึ่งทําเป็นกระบะพ่วงท้ายวันที่เกิดเรื่องนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันโกนด้วยซึ่งทางภาคอีสานจังหวัดที่อยู่ก็คือจังหวัดมหาสารคามจะไม่ทํางานวันพระกันนะคะไม่ขนฟืนเข้าบ้านไม่ตักข้าวเปลือกบีแถมให้ด้วยนะเดือน3ามเขาจะไม่เอาหญ้าคาเข้าหมู่บ้าน ประมาณนี้นะแล้วก็ไม่นําผีตายโหงเข้าหมู่บ้านแต่ว่าประเพณีที่พี่สาวภาบอกมาเนี่ยมันน่าจะเลือนหายไปแล้วละเพราะว่าเห็นก็ผเผากันโคมคามคมคำย่าคงย่าคาที่เอามาทําหลังคาเนี่ยเขาก็เอาเข้าหมู่บ้านกันมาทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ อาก็จะกลับบ้านมาตามปกติแต่ว่าตัวของผู้เล่ากับพี่สาวนี่ซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ8กับ9ปีก็ขอตามไปด้วยเพราะว่าอยากจะไปเจอน้องลูกของอาที่คลอดใหม่ๆนะคะซึ่งปู่กับย่าก็อนุญาตนะว่าตอนเช้าแกก็ต้องไปหมู่บ้านนั้นเหมือนกันแต่ว่าจะเดินลัดทุ่งนาไปซึ่งก็ไกลประมาณ3กิโลใกล้กว่าทางถนนนิดนึงนะคะ่ะพอกินข้าวเย็นเสร็จพี่สาววพาเนี่ยเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยก็ ไปกับพี่สาวไปเอาเพ้าห่มน้อยหมอนน้อยเตรียมไปรอที่รถไถใจนี่ตื่นเต้นดีใจจะได้เดินทางกลางคืนไงพออาอามาที่รถไอเราก็เริ่มเดินทางกันคิดดูนะคะว่า30ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่มีไฟฟ้ามันจะมืดแค่ไหนมันมีแต่ทุ่งนาสุดลูกหูลูกตายิ่งเป็นแถวมหาสารคามด้วยแล้วเออคุณผู้ฟังไม่อยากจะคิด รถไถก็วิ่งช้าๆค่ะทางก็ทางลูกรังผสมทรายพวกอาก็สูบบุหรี่กันไปคุยกันไปพี่น้องสองคนเนี่ยก็นั่งชมดาวชมเดือนกันไปพอมาถึงใกล้สะพานข้ามห้วยค่ะพี่สาวพาได้ยินเสียงเหมือนนกหวีดแต่ไม่ได้หวีดแหลมขนาดนกหวีดนะคือมันดังมาใกล้มากแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่าคนเดียวทุกคนได้ยินกันหมดค่ะพอมองไปด้านหลังทางที่รถไถวิ่งผ่านมา โอ้เป็นเด็กนะแต่ก็รู้เลยทันทีค่ะว่านั่นะ เ, เป็นเปรดตัวสูงหัวโตวแขนยาวแทบจะลากพื้นมันวิ่งข้ามทุ่งนาไปปากก็ร้องวีดวีดกันนะคะตกตะลึงกันทั้งรถพออาตั้งสติได้แกก็กดหัวผู้เล่ากับพี่สาวลงกับพื้นรถไถเอาผ้าห่มคลุมให้ในใจตอนนั้นก็เต้นตุบตับ ต, ตุบตับเหมือนหัวใจจะออกมาข้างนอกให้ได้อยากจะพูดอยากจะถามแต่ก็ไม่กล้าค่ะได้แต่ก้มหน้านอน จนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอ้าวสว่างแล้วทั้งคนทั้งพระเต็มบ้านเลยพี่เสวภาบอกว่าก็ยังคิดอยู่นะว่ามานอนอยู่ที่บ้านได้ยังไงทีนี้พอพระให้พรรถน้ำมนต์เสร็จต่างคนต่างพูดเรื่องเมื่อคืนให้คนทั้งบ้านฟังส่วนพี่เสาวภากับพี่สาวก็คุยกันเบาๆบอกมึ่งเห็นบอค่ะนี่แหละเรื่องเปรตที่เจอกันจังๆที่มีผู้ร่วมเหตุการณ์ทั้งหมด6คนทุกวันนี้ยังเจอบ้าง เขียนอาจจะไม่ดีคุณบีเรียบเรียงให้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสจะเขียนเล่าอีกรอบนึงโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะเดีย๋ยว่าเขียนไม่ดีเลยอ่านเข้าใจง่ายด้วยขอบคุณพี่เสวภาด้วยนะคะกับเรื่องราวของเปรตคุณผู้ฟังคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะทางบ้านเราเนี่ยหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นบรรยากาศแบบต้นไม้เยอะแยะทุ่งนากว้างๆนะคะแล้วก็มืดไฟฟ้ายังไม่ถึงนะคะยิ่งเป็นปีประมาณ2530 2528 2930เเนี่ยไฟฟ้ามันจะมีแค่บางหลังคาเรือนเท่านั้นแล้วยิ่งเป็นทุ่งนาด้วยนะ ทุ่งนาก็จะกว้างๆรกนะคะไม่ได้แบบโล่งเตียนเหมือนสมัยปัจจุบันนี้และเป็นวัดด้วยเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆดูทะมึนน่ากลัวนะคะแล้วก็เรื่องเปรตเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังกันบ่อยครั้งใครที่เป็นคนต่างจังหวัดนะคะจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้มาไม่มากก็น้อยเหมือนกันค่ะ ขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกๆเรื่องที่กรุณาส่งเข้ามาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจําวันนี้แล้วล่ะคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยและที่สําคัญเลยกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตใหม่ๆ ใ, ในช่องของเรานะคะ วันนี้บีขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนผิดพลาดประการใดในวันนี้กราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ